เตือนในเรื่องนี้อยู่เสมอนะไม่ใช่เตือนใครเตือนเราเองว่าเรามาที่นี้นะเพื่อฝึกฝนอบรมตนแล้วก็ถ้าพู้จอดจงกันนก็คือเรามาฝึกฝนอบรมตนนะด้วยแนวทางนะที่พระพุทธเจ้าได้สงหว่างเอาไว้ฝึกฝนอบรมในที่นี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฝึกฝน ที่กายวาจาหรือว่าฝึกให้เป็นคนที่อยู่แบบเรียบง่ายไม่เบียดเบียนใครกิริยาวาจานะเรียบร้อยเท่านั้นนะแต่รวมถึงการฝึกที่ใจด้วยซึ่งหมายถึงรวมหมายถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองรวมทั้งการลดละขัดเกลา ใจิตใจของเราให้งดงามหลายคนเนี่ยเวลามาวัดเนี่ยก็ไม่ได้คิดที่จะมาฝึกฝนอบรมตนเท่าไหรน่นะแต่ว่ามาเพื่อที่จ ะ, ะเอานั่นเอานี้เพื่อสนองกิเลส ข, ของตัว เ, เช่นเพื่อจะมาเอาเลขมาเอาเบอร์ ไปแทงหวยมาเอาวัตถุมงคลมาอาน้ำมนนะเพื่อที่ทำให้มีโชคมีลาบมาวัดด้วยกิเลสแล้วก็กลับไปด้วยกิเลสที่เพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้ก็นับว่าน่าเสียดายหรือมาวัดเพื่อที่จะมายืนยันกิเลสของตัว ว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนมีศีลแต่ว่ากิเลสหรือว่าอัตตาม า, น, านะทิฏฐิมันก็ไม่ได้ลดลงไปเลยเมื่อเรามาวัดแล้วเนี่ยนะก็ต้องตระหนักว่าเรามาเพื่อที่จะฝึกฝนอบรมตนซึ่งรวมไปถึงการลดการละการขัดการเกรา่า ให้กิเลสเบาบางลวนทั้งทำให้มีปัญญามากขึ้นยิ่งเรามาวัดเพื่อจะมาฝึกฝนตามแนวทางของพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่าคำสอนหรือแนวทางที่พู้เจ้าได้สรงวางเอาไว้เนี่ยโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยมันทวนกระแสทีเดียวเลยนะ มันเป็นการทวนกระแสกิเลสมันเป็นการทวนกระแสโลกทวนตั้งแต่มุมมองเลยนะตั้งแต่มุมมองเรียกว่าแตกต่างจากชาวโลกหรือแตกต่างจากกระแสโลกโดยเพราะใยุ ป, ปัจจุบันมากทีเดียวจะเรียกว่ามองย้อนอนหรือว่ามองนอกกรอบอรเลยก็ว่าไดนะ้หรือในในบางเรื่องก็เรียกว่ากลับหัวกลับหางเลย อย่างเช่นนะชาวโลกหรือคนทั่วไปเขาก็นิยมจินดีนะในลาบสักการะในชื่อเสียงกิจติยศทรัพย์สินเงินทองว่าเป็นของดีนะแต่พุทธศาสนามองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเลยไม่ควรเอามาเป็นสรณะด้วยซ้ำเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนะมัน ไม่มีความแน่นอนแล้วก็มันเป็นทุกข์นำมาซึ่งความทุกข์คำว่ามันเป็นทุกข์นี่ก็หมายความว่ามันเนี่ยนะมีความเสื่อมนะมีความสลายมันมีความบีบคั้นนะอยู่ภายในด้วยเหตุปัจจัยต่างๆซึ่งก็นำมาซึ่งความทุกข์ให้กับผู้ที่ยึดถือ ทำให้คนที่ยินดีในสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์และทำให้คนที่ยึดเป็นทุกข์เนี่ยคราวหนึ่งเนี่ยเทวดาเนี่ยเคยตัเคยพูดสนทนากับพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่านะมีโคก็สุขเพราะโคนะมีลูกก็สุขเพราะลูกพรนะพุทธเจ้าตัดอีกทางหนึงว่านะมีโคก็ทุกข์เพราะโค มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกอันนี้เป็นการมองเนี่ยเรียกว่าสวนทางกับเทวดาเลยนเทวดานี่ก็มองไม่ต่างจากปุตุชนเท่าไหร่เนี่ยนนก็ยินดีนะในในทรัพย์นะโคนี่ก็เป็นตัวแทนของทรัพย์สมบัติอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากนะว่าทำไมเนี่ยมีโคหรือมีวัวในี่ิจึงทุกข์เพราะโคทุกข์เพราะวัวมีลูกทำไมจึงทุกข์เพราะลูกคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ทราบดี แล้วคนที่มีทรัพย์สินเงินทองเช่นมีรถยนต์ก็ทราบดีว่ามันมีสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจริงอยู่มันก็ให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นสุขที่เจือไปได้วยทุกข์มันต้องคอยเหนื่อยนะในการดูแลรักษาบางทีต้องหาที่จอดรถที่ดีๆให้มันได้อยู่ <Yes. S 1> นะเศรษฐนะีหลายคนนี่ต้อง ต้องติดแอร์นะให้กับที่จอดรถพอรถราคาแพงมากนะ10ล้าน20ล้านบาทที่จอดรถนี่บางทีสิ้นเปลืองเงินทองยิ่งกว่าบ้านของคนทั่วไปสิ้ต้องคอยห่วงคอยกังวลนะอันนี้คือเราเป็นความทุกข์นะบางคนห่วงบางคนกังวลยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือทุกข์สมัยที่หลวงปูด่ดูเนี่ยนะยัง มีชิดอยู่ในะที่วัดสกแกหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยมีชายหนุ่มคนหนึ่งมากราบท่านแล้วก็บอกว่าเพิ่งไปเช่าพระอุปคุดมาที่วัดสกแกนี่ก็มีให้เช่านะพระอุปคุดด้วยหลวงปู่ก็ถามว่าเช่ามาทําไมชายหนุ่มก็ตอบว่าจะได้รวยไงครับหลวงพ่อหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็เลยเปรย์ขึ้นมาเบาๆว่าเนี่ยรวยกับสวยเนะี่มันในกล้กันนะ ชายหนุคนนั้นก็งงนะมันหมายความว่ายังไงอันที่แรกหลวงปู่ท่านก็พูดว่าเนี่ยมันเขียนคล้ายๆกันเแ็จแล้วท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนะรวยเนี่ยมันสวยอย่างไงนะคือมันเหนื่อยตั้งแต่หาแล้วได้มาก็ต้องทุกกับการรักษาแล้วพอมันเสื่อมพอมันเสียพอมันหายไปก็ทุกข์อีกเรียกว่าทุกข์ตั้งแต่ต้นจนจบนะแล้วท่านก็แนะนําว่าให้ สนใจความดีดีกว่านะมันทำความดีดีกว่านะหวังรวยนะอันนี้เรียกว่าเป็นการอามองที่เรียกว่าสวนทางนะกับชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาปฏิเสธความรวยนะไม่ได้ปฏิเสธแต่เห็นว่ามันไม่ได้น่ายินดีอย่างที่ชาวโลกเขานิยมกัน พอวันมันก็เจอไปได้วยทุกข์แต่ถ้ารู้จักใช้นะมันก็เกิดประโยชน์นะสังคมทุกวันนี้เนะี่ยเขายินดีนะในสี่ของสี่อย่างนะหนึ่งความหนุ่มสาวสองความสำเร็จสองสามความสุขสนุกสนานสี่เรื่องเซ็กนะอันนี้เป็นสิ่งที่สังคม ปัจจุบันนิยมมากเพราะเป็นสองคนบริโภคนิยมเนี่เขาจะเชิดชูสี่อย่างนี่แหละเวลาเราดูโฆษณาเนี่ยไม่ว่าทางโทรทัศน์ในโรงหนังหรือว่าป้ายโฆษณาริมถนนเนี่ยมันก็จะชูสี่อย่างนี่แหละเพื่อที่จะดึงดูดให้เราซื้อสินค้าของเขาว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยจะเป็นหนุ่มเป็นสาวจะประสบความสําเร็จจะมีความสุขยิ้มแย้มแจม่มใสสนุกสนานนะ แลที่ก็เอาเรื่องเซ็กต์เข้ามาว่าถ้าใช้แล้วเสพแล้วนี่จะนะมีแรงจูงใจแรงดึงดูดทางเซ็กต์เนี่ยแต่ว่าเพื่อศาสานามองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะเป็นเรื่องที่พึงปรารถนาเลยนะด้วยเหตุผลอย่างที่ว่ามานะก็คือว่าหนึ่งมันมันไม่เที่ยงนะเอาแน่อานอนและไม่ได้และสองมันเจอไปด้วยทุกข์และสามารถจะชวนให้เรา ไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นได้ด้วยทําให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจตามมาคนในยุคนี้เนี่ยเขายึดมั่นในเรื่องของตัวกูมากนในเรื่องตัวกูนะมีความยึดมั่นถือมันในตัวกูคําว่าเซลฟี่ซึ่งเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนไปแล้วเยไปไหนก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายรูปเซลฟี่คือถ่ายรูป ตัวเองนะถ่ายหน้าตาตัวเองคนเดียวนะถ้าถ่ายหมู่เ น, นี่ไม่เรียกว่าเซิฟี่เท่าไหร่ต้องถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยก็พิธีพิธันใส่ใจมากนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีมีซื้อกล้องอย่างเดียวไม่พอนะต้องซื้อไม้นะไม้เซิฟี่มาจะได้ถ่ายรูปตัวเองชัดๆถนัดๆอันนี้มันก็สะท้อนถึงความความยกย่องจนถึงขั้นหมวกบุ่นในตัวเอง เพื่อยืนยันว่าตัวกูตัวกูตัวกูแต่พุทธศาสนาเนี่ยบอกถึงขั้นว่าเนี่ยไอ้ตัวกูนี่ไม่มีจริงนะไม่ใช่ให้ยึดไม่ใช่ให้คลายความยึดมั่นในตัวกูท่านนะแต่จริงๆแล้วตัวกูไม่มีจริงไอ้ที่คิดมีสมมติทั้งนั้นแหละเมื่อวานนี่ก็มีโยมคนนึงมาถามเรื่องนี้แหละ ว, ว่าทำไมกายนี่ไม่ใช่เราแต่พุทธศาสนาสว่างกายนี่ไม่ใช่เรา อาตมาก็เลยบอกว่าไหนลองชี้ดูตรงไหนที่เป็นเราเขาก็ชี้ไปตรงนี้อาตมาบอกเหมาะอันนี้หน้าอกนะไม่ใช่เราพอพูดแค่นี้นะเขาเข้าใจแล้วไม่ชี้ต่อพอจะชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่เรานี่คือหัวนะถ้าชี้ตรงนี้นี่ก็ไม่ใช่เราไอ้ น, นี่คือแขนชี้ตรงไหนก็หาตัวเราไม่เจอนะมันมีแต่หัวมันมีแต่แขนมันมีแต่อก ขาซึ่งมารวมกันแล้วก็เราก็เลยเลือกลมๆว่าเนี่ยคือเราแม้แต่สิ่งที่เราชี้ตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่หัวนะตรงนี้ก็คัมบัพถ้าตรงนี้ก็เรียกว่าหน้าผากไปไปม า, มาหัวก็ไม่มีนะมันมีแต่หน้าผากมีแต่คัมบับมีแต่หูมีแต่ตามีแต่จมกูกมีแต่ปากแล้วก็แก้มหาหัวไม่เจอด้วยซ้ำแลวถ้า จิ้มไปที่แก้มนะเอาข้าจริงก็ไม่มีแก้มหรอกนะสิ่งที่จิ้มไปคือผิวหนังนะงนั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวกูมันไม่มีนะอันนี้มันก็เป็นเรียกว่าสวนทางนะกับความเข้าใจนะของชาวโลกมากรวมทั้งพวกเราเนี่ยนะั้นเวลามามาวัดเนี่ยมาอบรมนะ มาด้วยความตั้งใจว่าจะศึกษาปบรมเนี่ยนะก็ต้องต้องวางนะวางความรู้สึกนึกคิดแบบเดิมเอาไว้นะกองไว้ที่หน้าวัดเลยยิ่งดีสมัยนี้นิยมพูดกันว่าเนี่ยคนเราเนี่ยจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ได้เนี่ยต้องรู้จักล่างความรู้เดิมนะเขาใช้ภาษาฝรัง่งว่าอันเลินนะไม่ใช่แค่เรียนรู้อย่างเดียวนะแต่ต้องล้างความรู้หรือล้างสิ่งที่เรียนรู้มาแต่เดิมด้วย พอวิชาความรู้สมัยนี้มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากถ้ายังติดในวิในความรู้ดั้มเดิมเนี่ยมันจะตามโลกไม่ทันถ้าทำธุรกิจก็จะเจ๊งได้ง่ายๆนะเหมือนกับที่ธุรกิจใหญ่ๆนี่เจ๊งมาเยอะแล้วเพราะว่าไม่รู้จักล้างความรู้เดิมนะยังติดอยู่ในความรู้เดิมก็เลยตามโลกไม่ทันนะขาดทุนปนปี้นะอนโนเกียซึ่งเคย เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่มากนะทางด้านโทรศัพท์มือถือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยก็เจงนะอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่นานนะนี่เขาบอกว่าเพราะไม่รู้จักอันเลินนะไม่รู้จักล้างไอความรู้เดิมยิ่งมาศึกษานะมาฝึกฝนพัฒนาตนในพุทธศาสนาด้วยวิธีการทางพุทธเนี่ยนะก็เหมือนกันนะยิ่งจาเป็นต้องอันเลินหรือว่าล้างวางความรู้เดิมมุมมองเดิม ไอ้ที่เราเคยเข้าใจมาสิ่งแวดล้อมต่างๆทางโลกเนี่ยพอถ้าจะมาฝึกฝนอบรมตนด้วยวิธีการแบบพูดแล้วเนี่ยมันต้องล้างวางให้หมดนะไอ้ที่เคยชื่นชมยินดีว่ามันเป็ น, ปนสิ่งดีสิ่งงามเลิศประเสริฐสีนะเช่นะชื่อเสียงกิติยศความมั่งมีความร่ำรวยไอ้พวกนี้เนี่ยนะถ้าเรามาศึกษาพระศาสนาจะพบว่ามันไม่ใช่เลย และสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ทวนกระแสยอย่างหนึ่งนะที่ต่างจากกระแสโลกหรือว่านิสัยความเคยชินเดิมก็คือการที่กลับมามองที่ตัวเองทางโลกนี่เขาจะมองไปข้างนอกหรือว่าส่งจิตออกนอกจนลืมมองตัวเองไม่รู้จักมองเข้าในบ้างเวลามีปัญหาก็จะไปแก้ที่ข้างนอก แต่ไม่ได้ตระหนักเลยถึงการแก้ที่ข้างในแก้ที่ใจเจออะไรไม่ถูกใจนี่ก็คิดแต่จะไปจัดการกับสิ่งนั้นซึ่งอยู่ข้างนอกนะแต่ว่าไม่ได้มองหรือมาแก้ที่ใจแต่ถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะที่มุ่งศึกษาและฝึกฝนพัฒนาตนเนี่ยก็จะมาแก้ที่ข้างในเป็นหลัก มีเรื่องราวสมัยที่หลวงพ่อพุทธนะนันทโเนยในท่านยังยังหนุ่มนะอายุประมาณสักสามสิบเนี่ยท่านก็ไปจำภาษาที่อุบลในเมืองวันหนึ่งก็เช้าตรู่ก็ไปบินทบาตก็เห็นมีผู้หญิงนะกับลูกชายอายุประมาณสักห้าขวบเนี่ยยืนอยู่รอใส่บาทข้างถนน ท่านก็เดินไปรับบาตรพอเดินใกล้จะถึงนะเด็กห้าขวบนั่นก็พูดขึ้นมาว่ามึงบอกแม่นพระดอกมึงบอกแม่นพระดอกปู่กับมองไปที่ท่านเราเนี่ยมึงไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระทีแรกท่านฉุนเลยนะแต่สักพักเนี่ยท่านก็ด้วยความที่ท่านมีสติไวเนี่ยท่านก็เห็นความไม่พอใจของตัวก็เลยมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาว่า เออจริงของมันเราไม่ใช่พระเพราะถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธไอ้ความโกรธหรือความไม่พอใจที่มีอยู่มันหายวู้ไปเลยนะและท่านก็เดินไปรับบาตรนะจากผู้หญิงคนนั้นนะด้วยสีหน้าปกติไม่มีความโกรธแล้วไม่คิดเทียต่อว่าเด็กคนนั้นเลยถ้าเป็นคนทั่วไปนะก็จะ ด่าว่าเด็กไอ้เด็กเวนไอ้เด็กเบรดเป็นต้นบางทีก็ด่าแม่ด้วยว่าทําไมไม่สอนลูกไปคิดแก้ที่ข้างนอกนะแต่หลวงพ่อพุธนี่ท่านกลับมาแก้ที่ข้างในเออจริงของมันเราไม่ใช่พระเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธนะจะทําอย่างนี้ได้ก็เพราะเห็นรู้ทันความโกรธความไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนนะนะเปลี่ยนที่ใจของตัวเนั่แหละว่าเออใช่เรายังไม่ใช่พระเรายังมี เลยยังยังไม่มีสมมนาสัญญาเพียงพอเนะี่ยอันนี้มันเป็นมุมมองและวิธีแก้ที่ต่างจากคนทั่วไปหรือของชาวโลกนะคนของชาวโลกนี่ใครว่าเ ร, าเราต้องด่ากลับต้องด่ากลับแต่ว่าของชาวพุทธเราเนี่ยนะผู้ที่ศึกษาอบรมฝึกฝนตนมาอย่างดีเนะี่ยเขาจะมาแก้ที่ภายในเวลามีความทุกทุกใจก็จะแกนะ้ที่ใจของตัว มีตัวอย่างหนึ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะพระทิเบตเนี่ยรูปหนึ่งเนี่ยท่านเคยถูกจำคุกที่ประเทศของท่านเองเพราะว่าเมื่อหกสิบปีที่แล้วเนี่ยจีเนี่ยบุกยึดครองทิเบตแล้วก็บังคับให้พระและแม่ชีเนี่ยทาตามนโยบายของรัฐบาลคือประนามพุทธศาสนาแล้วก็สอนอลทัทธิคอมมิวนิสต์นะ พระธิดาท่านนี้ท่านบิลลิตโปเชน์นะเป็นพระชั้นสูงนะอายุก็ยังไม่มากท่านไม่ทําตามก็เลยถูกจับเข้าคุกดวนไปยี่สิบปีระหว่างนั้นก็ถูกทรมานสารพัดพอครบยี่สิบปีก็ท่านก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาท่านก็เลยรีภัยไปอินเดียทาราลมาอยู่อินเดียนะพอเห็นว่าท่านมาอยู่ที่อินเดียก็เลยไปเยี่ยมท่านสนทนากับท่าน มีตอนนี้ก็ถามว่าท่านกลั ว, ลวอะไรมากที่สุดตอนที่ถูกจับแทนที่ท่านบอกว่าท่านกลัวถูกทรมานกลัวถูกตอกเล็บบีบขมับกดน้ำนะ่นกว่าท่านกลับตอบว่าท่านกลัวว่าจะไปโกรธไปเกลียดเขาท่านกลัวว่าจะโกรธเกลียดเขาเพราะว่าถ้าโกรธเกลียดเขาเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำบาปทำกรรมกับเขาหรือว่าผิดศีลนั่นแหละซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ดี ท่านที่ท่านจะคิดทําร้ายเขาหรือคิดด่าว่าเขาท่านก็นกลัวกลัวว่าจะทําอย่างนั้นจึงกลัวว่าจะไปกลวดไปเกลียดถ้าโกรธเกลียดแล้วก็จะต้องด่าจะต้องทําร้ายหรือตั้งใจจะทําร้ายอันนี้เป็นวิธีการที่เป็นมุมมองที่ต่างจากคนทั่วไปมากทีเดียวและนี่แหละเนะี่ยคือความเป็นพุทธนะคือแก้ที่ใจของตัว ไม่ได้ไปแก้ที่คนอื่นหรือไม่ได้มุ่งไปที่แก้ภายนอกไม่ได้แปลว่าไม่แก่นะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นหลักแล้วก็ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นเช่นเวลาป่วยเนี่ยป่วยเราก็ต้องอดูใจของเราก่อนอย่าให้ใจมันป่วยไปด้วยนะแต่ก็ยังต้องรักษารักษากายให้ดี เวลามีใครทำอะไรไม่ถูกต้องนะก็ไม่ใช่แค่ดูใจของตัวเองเดียวถ้าจำเป็นถ้าเห็นสมควรก็ต้องไปแนะนำตักเตือนเขาด้วยนะอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิเสธนะการที่จะไปจัดการเปลี่ยนแปลงข้างนอกแต่ว่าเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่เป็นหลักนะก็คือการมัน มาดูใจรู้เท่าทันใจของตัวแล้วก็แก้ที่ตรงนั้นแ่เพียที่นี่เนี่ยเราจะมาฝึกนะเราจะมาเน้นหนักมากนะเรื่องการมากลับมามองใจกลับมามองตนที่เราเคยคุ้นเคยการมองข้างนอกหรือว่าไปเป็นทุกข์เพราะเพ่งโทษสิ่งภายนอกนะเราทำงี้มาเยอะแล้วนะ จะต้องนะวางนะมุมมองแบบนี้ลงนะแล้วก็หันกลับมากลับมาดูที่ใจเราให้มากขึ้นนะการเจริญสตินะีนน่หรือการภาวนาที่นีเน่เราเน้นเรื่องการกลับมาเห็นตัวเองไม่ได้เน้นแม้กระทั่งการสร้างความสงบในใจด้วยซ้ำอันนั้นไม่ใช่เป็นจุดหมาย จุดหมายทำงานคือการสร้างสติความรู้สึกตัวซึ่งเกิดจากการที่เราหนะมั่นมองตนบ่อยๆที่จริงสตินี่นะมันก็เป็นเครื่องมือนะในการที่ทำให้เราได้เห็นกายเห็นใจของตัวเรามองข้างนอกเยอะแล้วนะให้กลับมาดูกายดูใจนะแลวเราจะได้พบว่าจริงๆแล้วนี่ ไอ้ความทุกข์ใจก็อยู่ที่ข้างในนี่แหละแล้วเกิดที่ข้างในนี่แหละสมุทัยหรือสาเหตุก็อยู่ข้างในนี่แหละความสุขนะที่แท้จริงก็ไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ที่ใจเราอยู่ที่การมีสตินะรู้ทันความเป็นไปของใจและการรู้อย่างนี้แหละนะที่ทาให ใจนี่กลับมาเป็นปกติได้การรู้อย่างนี้แหละที่ทำให้เราพบว่าเรารู้ว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะแบกเพราะยึดซึ่งบางครั้งก็แสดงอาการออกมาด้วยการผักใสต่อต้านบนบวยวายตีโพยตีพา ย, พ ย, พยไม่ใช่เพราะสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่เพราะไม่ใช่เพราะรูปที่กระทบตาเสียงที่กระทบขูกลิ่นที่กระทบจมูก ไม่ใช่เพราะคนที่อยู่รอบตัวเราอันนั้นมันไม่ใช่สาเหตุหลักสายเหตุหลักนะมันอยู่มันเกิดขึ้นที่ใจใจที่หลงใจที่ไม่รู้ตัวจึงปล่อยให้ความโกรธความเกลียดความเศร้าเนี่ยมาครอบงำอันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะอย่างที่พระทิเบตท่านนั้นเนี่ยท่านกลัวท่านกลัวตรงนี้นะถ้าไม่ได้กลัว ว่าใครจะมาทำอะไรท่านแต่ท่านกลัวไอ้ตัวโกรธเกลียดนะกลัวที่เข้ามาครอบงำและที่มันเข้ามาครอบงำบีบคั้นใจเผาลนใจก็เพราะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวก็คือไม่มีสติจึงไม่เห็นโทษหรือไม่รู้ทันไออารมณ์เหล่านี้ ถ้าเรามาวัดแล้วเนี่ยเราไม่เห็นตรงนี้นะก็ถือว่าเสียประโยชน์นะแม้จะได้บุญกลับไปนะแต่ว่าไอ้บุญลึกความปิติความอิ่มเ อ, อิบที่ได้จากการทำบุญเนี่ยมันก็ชั่วคราวนะถึงเวลาเจ็บเวลาป่วยนะถึงเวลาถูกเาถูกคนต่อว่าด่าทอนะหรือถึง เวลาที่นะสูญเสียของรักของห่วงไอ้สิ่งที่เอาไปจากวัดเนี่ยนะที่เรียกว่าบุญเนี่ยนะบางทีมันเอาช่วยไม่ได้นะคนที่ขยันทำบุญนะทาบุญนะนะเรียกว่าเป็นเป็นลมหายใจเลยเนี่ยก็ยังทุกเพราะเหตุเหล่านีนะ้เพราะว่าเขาไม่ได้มาฝึก ให้มันครบถ้วนก็คือมามีสติรู้ทันอารมณ์และความผันผวนในใจตนซึ่งมันก็เกิดจากการกระทบเนะี่ยหรือเกิดจากผัสสะให้เรามาวัดทั้งทนะีก็ให้ได้มาเรียนรู้ตรงนี้ได้มาเรียนรู้วิธีนะการมองตน ไม่ได้ไปไปเห็นอย่างอื่นนะมีบางคนก็เข้าใจผิดนะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีบางคนบอกโอ้ปฏิบัติมาตั้งนานยังไม่เห็นนิมิตไม่เห็นสีเห็นแสงเหมือนคนอื่นก็เลยนะก็เพอธิทบายว่าเห็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะมันต้องมาเห็นกายและใจนะเห็นจนกระทั่งความจริงปรากฏว่างกายและใจก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเราด้วยเห็นจงกระทั่งนะมองตนจนกระทั่งมองไม่จนกระทั่งรู้ว่ามันไม่มีตนนะถ้ามองตนเนี่ยมองไปจริงๆมันจะพบว่าไม่มีตนเลยนะไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูอยู่ข้างในมันว่างเปลนะ่าว่างเปล่าจากตัวกูกายและใจนี่มีอยู่จริงนะแต่มันมีจริงในะลักษณะที่ว่ามันไม่มีกู ซ้อนอยู่ข้างนในถ้าเรามองตนไปเรื่อยแบบนี้นะมันจะหมดเลยนะความยึดมั่นในตัวกูเพราะมันเห็นว่าตัวกูไม่มีนะกายและใจก็มีนะมีตามเหตุตามปัจจัยมีตามเงื่อนไขนะถ้าเงื่อนไขรละปัจจัยนั้นหมดมันก็หมดนะอย่างที่พระโกนทัญญะท่านได้เห็นเนะี่ยหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาเนี่ย สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาที่ดับไปก็เพราะว่าเหตุปัจจัยนีย่มันมีเกิดแล้วก็มีดับเหตุปัจจัยมาเกิดเหตุปัจจัยเกิดหรือมาประชุมพร้อมกันนะกายและใจก็เกิดมีขึ้นเหตุปัจจัยดับหรือเสื่อมสลายไปนะกายและใจก็ดับไปด้วยมันไม่มีตัวกูนะที่เท่งแท้แน่นอนเลยและพอเห็นตรงนี้นะ พอเห็นว่าไม่มีกูเนี่ยไอ้ความยึดมั่นในตัวกูก็หมดไปไอ้ความยึดมั่นในของกูก็ไม่เหลือแล้วความทุกข์มันจะมีที่ตั้งได้อย่างไรนะกิเลสมันจะมีที่ตั้งได้อย่างไรกิเลสไม่มีที่ตั้งความไอ้ความทุกข์มันก็ดับไปกายยังเจ็บยังป่วยอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้วข้าวของที่มีอยู่มันก็เสื่อมดับไปตามเหตุปัจจัยนะแต่ว่า ใจไม่ทุกเนะี่ยนี่แหละถ้าเรานะ่หมั่นมองตนอย่างนี้เลยนะมันจะเห็นความจริงนะจนกระทั่งทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นความรู้พร้อมเป็นความรู้ยิ่งเนะเป็นความสงบนะเพราะว่าจักสุได้เกิดขึ้นญาณได้เกิดขึ้น นี่มาวัดนี่มาเอาบุญนะมาเอาเลขเอาเบอร์เนี่ยมันจึง เ, เป็นจะเรียกว่าความโง่ก็ได้เพราะว่าสิ่งที่วัดหรือพุทธศาสนาจะให้กับเรามันมีมากกว่านั้นเยอะมันเป็นอริยรัพย์เลยแต่ทั้งนั้นเนี่ยเนระก็ต้องหมายควาต้องเราต้องวางวางความคิดความเข้าใจเดิมๆลงและเปิดรับนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆนะที่ พุทธศาสนา จ, จะมีให้กับเรารวมทั้งนะต้องลงมือทาด้วยนะมันจึงจะเห็นจึงจะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราย้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะว่าเรามาเพื่อมาฝึกฝนอบรมตนนะเพื่อที่มาเปลี่ยนมุมมองนะเปลี่ยนทัศนะซึ่งนะมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนชีวิตของเราได้เอาชาติกรบือกเท่านี้นะกราบพร